พนอบน้อมต่อคุณป ร, รัตนาตะไลคอูกาพอาจารย์เพสารพระเทลานุเทละเพื่อนสนสิมิกทุกท่านจเจริญธรรมะชีและญาติธรรมทุกท่านวัวควายตายเหลือไว้เพียงเขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นศักิ์ศรีคนเราตายเหลือไว้เพียงชั่วดี บรรดามีประดับไว้ในโลกาวันนี้ก็เป็นวันเพลิอหัลที่สี่ซึ่งยังเหลือเพียงสองวันก็คือวันที่หกอ่าซึ่งเป็นวันที่อ่าพวกเราสิจานุสิตของหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนก็จะร่วมกันอ่าประชุมเพลิงอ่าสลีละหลวงพ่อในวันนั้นนะก็อีกสองวันหลังจากวันนี้ไป ซึ่งคาดว่าจะมีคนมาร่วมงานเป็นหมื่นคนนะสิทธ์เยอะทังสิทธิ์ทั้งพระทั้งฆราวาสญาติโยมต่างคนต่างก็ทำงานร่วมงานด้วยความสามคัคคีด้วยความเต็มใจอย่างเต็มที่นะเพื่อให้งานครั้งนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย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 ตลอดสี่สิบสี่สิบเจ็ดปีที่ผ่านมาท่านก็ได้แสดงธรรมมากมายนับไม่ถ้วนนะถ้าดูแล้วก็น่าจะหลายหพันหรือจะเป็นหมื่นอ่าเป็นหมื่นครั้งหมื่นกันอ่ที่ท่านได้แสดงธรรมมามากมายนะครั้นี้เนี่ยสิ่งสาระสําคัญต่างๆก็มีมากนะแต่การแสดงธรรมนั้นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องง่ายๆนะบางทีเราฟังดูเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรเลย ถ้าเราเข้าใจฟังอย่างที่ท่านพูดเราก็สามารถที่จอาจากความทุกข์ได้ง่ายๆเหมือนกันนะมันเป็นแค่การเปลี่ยนมุมมองเท่านั้นเองนะเพียงเราพลิกมุมมองเราก็จเจอยวจากความทุกข์ไดนะ้เช่นท่านบอกว่าเปลี่ยนหลงเป็นรูนะ้อันนี้ท่านยังพูดบ่อยมากเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะคนเรานี้ยนะไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นนั่นแหละเป็นนักปฏิบัติหรือไม่เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายก็จะหลงกันแทบทั้งนั้น ความหลงก็นำให้เราเกิดกิเลสตัณหาต่างๆมากมายหลงปั๊บมันก็หลงนี่เ็เรียกว่าเป็นโมหะนะก็จะนำความโกรธนะนำความโลภมาให้เรานะพอหลงนี่มันไม่รู้ว่าออขณะนี้เรากำลังหลงอยู่มันก็นำกิเลสต่างๆมาก็เรียกว่าหลงแล้วก็ไหลไปในกิเลส ต, ต่างๆนะแต่หลวงพ่อบอกให้เปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยมันก็เปลี่ยนทันทีเลยนะถ้าใครเข้าใจตรงนี้มันไม่ยากเลย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 ไขๆนะในโลกนี้มันก็หลงวาทุกคนนั่นแหละแต่ความหลงมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นแปลกหรือเป็นความผิดนะแต่เมื่อเขาหลงแล้วเราเปลี่ยนเขาได้ไหมเปลี่ยนเป็นรู้ได้ไหมนะว่าเปลี่ยนเป็นรู้ปับ๊บเราจะเห็นเนอะความหลงมันก็ดับไปมันก็มารู้แทนนะก็กลับมารู้กายรู้ใจกลับมารู้สึกตัวเนะี่ยความทุกข์มันก็หายไปแล้วนะนที่เราไปหลงโกรธนะมันเป็นความทุกข์นะที่เราไปหลงราคานะ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 กลับมาได้ไหมนะกลับมาได้ไหมเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเขาจะไปก็เป็นเรื่อ ง, ของเขาไปเราไปห้ามว่าไม่ไปไม่ได้แต่เมื่อไปแล้วกลับมาได้ไหมเนี่ยตรงนี้สําคัญกว่านะอเพระหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเออเปรียดลงเป็นรู้ก็คือกลับมานั่นเองมาปฏิบัติธรรมก็คือกลับมากลับมารู้สึกตัว <c oughs> เนี่ยเป็นสิ่งที่หลวงพ่อจะพูดให้พวกเราฟังอยู่ในจำ้ำ <c oughs> เราหลงเพ่อจะพูดบ่อยๆให้รู้ซื่อซื่อนะรู้ซื่อซ่อรู้ซื่อซื่อรู้ตรงตรงไม่แปลอะไรจากการรู้นั้นรู้ซื่อซื่อมันก็คือไม่แปลวาผิดไม่แปลวาถูกไม่แปลวาเหตุไม่แปลว่าผลรู้ซื่อซื่อรู้ตรงๆงไปเลยนะไม่ต้องไปอ่าเอาเหตุเอาผลเอาอะไรทั้งสิ้นกลับมารู้ซื่อซื่อรู้บริสุทธิ์นะรู้สึกตัวก็รู้ซื่อซื่อนะ ปฏิบัติธรรมต่างๆก็รู้ซื่อๆนะเปลี่ยนหลงเป็นรู้อมารู้ซื่อเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายนะครั้งหนึ่ง <c oughs> ที่ท่านเคยไปไปฏิบัติกับหลวงประเทียนใหม่ๆที่วัดสนามในตอนนั้นหลวงประเทียนก็ <c oughs> เรียกท่านเข้าไปในกุฏิแล้วก็ให้ปิดประตู <c oughs> แล้วก็ถามว่า <c oughs> <c oughs> เห็นข้างนอกไหมไม่เห็นครับ ทำอย่างไรจึงเห็นข้างนอ ก, นอกเปิดประตูครับหลังนั้นท่านก็หลวงพ่เทียนก็บเปิดประตูแล้วก็ท่านก็ไปยืนอยู่ตรงกลางประตูแล้วก็ถามว่าเห็นข้างนอกไหม <c oughs> เห็นครับเห็นข้างในไหมเห็นครับหลวงม่เทียนบอกอตรงนั้นนั่นแหล ะ, ะทำตรงนี้นั่นแหละเราท่านก็ไปนะตรงนี้ก็ตีความหมายได้หลายอย่างนะก็คือรู้ทั้งภายนอกภายในก็ได้หรือจริงๆแล้วก็คือรู้รู้ซื่อนั่นแหละ ก็คือไม่ต้องไปเอาเหตุเอาผลไม่ต้องไปเอาถูกเ้าผิดกับสิ่งต่างๆก็กลับมารู้ซื่อๆรู้ตรงๆอรู้ในอความที่เป็นปัจจุบันนี่แหละรู้ตรงๆ ร, รู้ซื่อๆรู้บริสุทธิ์ไม่ต้องไปเอาอะไรทั้งสิ้นกับเขาอันเนี้มันจึงจะว่าเห็นทั้งภายนอกและภายในเพราะเราไม่ได้ไปเอาอะไรเลยนันบบก็แค่ความรู้ตรงๆเท่านั้นเองรู้ซื่อๆนั่นแหละนะครั้นี้ท่านก็มีคําสอนที่อ่า สำคัญอยูอ่คำหนึ่งนะที่น่าจะดีมากคือถ้าได้เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากเป็นผู้เป็นมาเป็นผู้เห็นนะครั้งหนึ่งก็มีนักปฏิบัติผู้หญิงคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อว่าวันนี้หนูเครียดมากหลวงพ่อว่าให้พูดใหม่นะักกรรมฐ า, านไม่พูดเช่นนั้นก็เลยพูดใหม่ว่าวันนี้หนูเห็นความเครียด <c oughs> ท่านอบอกว่าเออใช้ได้นะ <c oughs>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 แต่เราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้อย่างที่หลวงพ่อบอกะเปลี่ยนจากเป็นผู้เป็ น, ม า, ปนมาเป็นผู้เห็นเท่า น, นั้นเองนะมันตรงนี้มันพลิกกลับมาได้เลยนะอ่ถ้าเ be, product, <Myster ious S 2> ราเข้าใจในตรงนี้มันไม่ยากเลยะคราวนี้อถ้าเป็นปุโรชนทั่วๆไปที่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ทําได้เหมือนกันะเขารู้ว่าขณะนี้เขาโกรธเขาก็เปลี่ยนได้เออมาเป็นผู้เห็นแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนยากนิดนึงมันไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงไม่รู้จะทําอย่างไรนะอ่แต่ว่าท่านเป็นนักปฏิบัติแล้วตรงนี้มันไม่ยาก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 มันก็กลายเป็นเห็นรูปเห็นนามไปเนี่ยจากตรงนี้ง่ายๆที่หลวงพ่อบอกนะอเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะมันกลายไปทำจากยากก็เลยกลายเป็นง่ายไปเพราะเราไม่ได้ไปห้ามว่าเออมันต้องอย่าคิดนะอ่ต้องอยา่าโกรธอย่ารักอยาก่อยาชังมันห้ามไม่ได้หรอกแต่เราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยน ม, มุมนิดนึงเออเรากลับมาเห็นก็ได้ไหมว่าอเราเป็นผู้ดูได้ไหมไม่เป็นผู้เป็นแบบสมัยก่อนนะ time, มันก็เลยกลายเป็นง่ายเลยกลายแบบธรรม ยกมือต้านยังบ่าก็เป็นผู้แค่แค่ดูการเคลื่อนไหวเราจะเห็นว่ามนันเป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองนะไม่ใช่เรารู้สึกมันก็เป็นแค่ความรู้สึกในการเคลื่อนการไหวไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ต ว, ไ, มตวไม่ตนของเรานียมันกลับมาเป็นผู้ดูได้ตลอดนะธรรมะที่สำคัญหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งก็คือท่านก็จะบอกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะตรงนี้เป็นธรรมะที่สุดยอดของหลวงพ่อเลยนะ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 อะไรกับอะไรนะคําว่าไม่เป็นอะไรกับไรนี่มันมีความหมายที่กว้างที่สูงที่สุดนะจนหลวงพ่อบอกว่าเมื่อใครเข้าใจคําเนี้ยมันก็ท่านไม่ต้องห่วงแล้วนะไม่เป็นอะไรกับไรมันก็ไม่ต้องห่วงคนนั้นแล้วคนนั้นมีทางเดินที่ถูกต้องแล้วนะคนคนนั้นนะความยึดติดก็จะน้อยลงในความที่เรียกว่าเราความเข้าใจผิด ท, ที่ว่ามีเรามาตลอดมันก็จะวางในตรงนี้ได้นะตรงนี้มันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆแต่ก็เกิดจากอาการที่เราค่อยๆฝึกปฏิบัติมานั่นแหละในการที่จะกลับมารู้สึกตัวได้ไบ่อยๆกลับมาเห็นกายเห็นใจได้ไบ่อยๆเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดนะรู้สภาวะถึงสภาวะเหล่านั้นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาอนะ่มันก็จะปล่อยก็จะวางหลดจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายแหละ ใจก็จะไม่เป็นอะไรกับอะไรจริงๆนะมันมองเห็นว่าสิ่งต่างมันไร้สาระไม่มีความหมายอะไรเลยนะเป็นสิ่งที่เลยาว่าเป็นของชั่วคราวเท่านั้นนะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความแปรปรวนไม่มีสาระไม่มีแก่นสารใดๆนะเมื่อจิตเห็นช่นดนั้บ่อยในสภาวะเหล่านั้นนะจิตก็จะเกิดการเบื่อนนายเกิดการคลายกำหนัดเมื่อเกิดการคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้หลุดพ้นแล้วอันนี้เกิดจากการที่เรากลับมาเห็นบ่อยๆเท่านั้นเองนะ ไม่ใช่ว่าเห็นครั้งสองครั้งแล้วจะบรรลุอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีบา ร, รมีมากแต่เราต้องเห็นเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเป็นแสนครั้งนะเห็นสภาวะนี่แหละอะเห็นกายเคลื่อนไหวไบ่อยๆนะมันก็อยู่ที่ฐานกายเมื่ออยู่ฐานกายแล้วเนี่ยอเขาเรียกว่าเรามีพื้นฐานที่ถูกต้องหลวงพ่อก็จะเน้นให้เราอยู่กับฐานกายะในขั้นแรกน ะ, ะเราไม่ ไ, ไปยุ่งกับความคิดแล้วความคิดมันก็เป็นความคิดไป แต่เรากลับมาได้ไหมกลับมาอยู่ที่ฐานกายอถ้าบอกว่ากายเป็นสิ่งที่ยากเนียเรากลับมาใิฐานกายเนี่ยมันง่ายกว่านะอย่าไปอยู่กับความคิดกลับมาใิฐานกายบ่อยๆนะใหม่ๆท่านก็ให้ตั้งใจมีการเคลื่อนไหวนะมีเจตนาในการเคลื่อนไหวไปรู้ไปรู้ให้ชัดเจนถ้ารู้ไม่ชัดเจนท่านก็ให้หยุดกลับมารู้ใหม่นะรู้ตัวให้ชัดๆอใหม่ๆท่านก็ให้มีความรู้ให้ชัดๆัดนะตรงเนี้ย กลับมาฐานกายให้ได้ก่อนอยู่ฐานกายได้บ่อยๆตรงนี้มันเป็นเป็นพื้นฐานที่ที่ดีที่ถูกต้องเหมือนกับเราจะสร้างตึกเราก็ต้องมีเสาเข็มแล้วก็คือกลับมาอยู่ฐานกายมันก็เป็นเสาเข็มพอเราวางฐานกายดีแล้วมันก็จะไปเห็นฐานจิตได้เอง้มาอยู่ฐานกายก็คืออยู่กับปัจจุบันธรรมนั่นเองอ่าจิตเคลื่อนไปมันก็จะรู้เพราะมันหลุจากปัจจุบันไปแล้วหลุไปอยู่กอดีตอนาคตมันรู้ทันตรงนี้มันเมื่อเราเห็นบ่อยๆเราก็จะเห็นสภาวธรรม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 บังคับบัญชาก็ไม่ได้เลยนะมันเห็นตรงนี้บ่อยมันก็ค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆในสภาวะที่ว่ามันมันเป็นเช่นนั้นเองนะเป็นเช่นนั้นเองของเขาเองนะมันมันไม่เป็นของเราเมื่อก่อนเออมันเราคิดเราหลงมันก็พอเข้าใจมันก็เป็นเช่นนั้นของเขาเองไม่ใช่เราอ่ะมันหลงก็หลงไปไม่ใช่เราอะมันโกรธก็โกรธไปไม่ใช่เราอ่ะมันรักก็รักไปไม่ใช่เรามันก็พอมันเห็นไม่ใช่เราจิตมันก็จะวางได้เร็วขึ้นนะก็เรียกว่าเปลยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนะ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 นี่แหละก็คือปัญญาที่ครูบาอาจารย์ได้ได้เห็นนะท่านได้เห็นแล้วท่านก็นำสิ่งท่านเห็นมาอ่ามาเคยแพร่มาสอนพวกเราอ่าให้เข้าใจในระดับปัญญาที่ท่านเห็นในครั้งนั้นนะเพื่อให้พวกเราได้เข้าถึงปัญญาที่ท่านได้ถึงแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นคำสอนที่มีค่ามากนะอ่าคำสอนท่านเนี่ยมีค่ามากประดุดเป็นเพชรเป็นพลอย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 มีสิ่งต่างตา ม, มันาหมดเลยแต่ถ้าไม่มีสติตัวเดียวมันก็ไม่มีสิ่งต่างตามมาเหมือนกันนะอย่างที่เคยอ่าที่หลวงพ่อเคยพูดว่าเอาที่จะไปขังเสือที่มีหกปากนะเสือหกปากนี่มันคือรูปรดกินเสียงพผฏฐพธาธรรมลมเอาเอาซี่เนะี่ยเอาลูกกง20สองรอยิบเจ็ดซี่ก็ไปขังไม่อยู่นะลูกกงสิบซี่แปดซี่ห้าซี่ไปขังไม่อยู่มีลูกกงแค่ซี่เดียวที่ขังมันอยู่ก็คือสตินั่นเองนะ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 เนะพราะนั้นเราฝึก ป, ประวัติธรรมจะมีสติเราจะรู้เลยว่าเราสามารถเหนือกิเลสได้แล้วมันวับหนึ่งเรารู้เลยแวบหนึ่งมันรู้เลยนะอเพราะนั้นะมันจะไหลไปไม่ได้อย่างแท้จริงเพราะมันไวกว่านะเมื่อมันไวไวกว่าเรื่อยๆในกิเลสมันจึงค่อยๆฝ่ อ, อ, อนะหลวงพ่อเคยบอกว่าเมื่อมันกขน็ข้าวเนี่แหละข้าวเมล็ดข้าวถ้าเก็บไว้สามปีมันก็จะฝ่อไปไปปลูกก็ไม่ขึ้นนะเพราะฉนั้นเมื่อสติเราไวบ่อยๆนะกิเลสมันก็จะค่อยๆฝ่อลงไปเองฝ่อโดยที่เราไม่ต้องไปกำจัดกิเลสเลยนะ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 เนี่ยเพราะนั่นก็เป็นอพระคุณหลวงพ่อที่มีต่อพวกเรานะสิทธิ์ญาติลูกิ์ทั้งหลายที่เป็นพระก็ดีที่เป็นฆราวาสเป็นญาติโยมก็ดีได้สลับหลับฟังได้รับธรรมะจากหลวงพ่อมาถึงสิบเจ็ดปีแล้วเนี่ยตรงนี้นะเราก็ด้วยการที่เราจะแสดงความกตัญญูกับท่านอย่างแท้จริงและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของท่านเราก็ต้องปฏิบัติในเจตนารมณ์ของท่านว่าเราปฏิบัติเพื่อการละการคลายกิเลสออกจากใจของเรา